ขอวิธีฝึกให้อินรีเข้มแข็งค่ะฮาฮาฮาฮาจิบน้ำชาดีกว่าา <l ots> <l ots> เอาต้องมีลีลาบางสิทำไมถึงต้องหัวเลาะละ่ะหมายว่าต้องเพียนเข้าใจไหมคนถามนี่มันแหม่มเจ็บใจในลูกศิษย์เนี่ยคือจะเอาง่ายๆ อ, ยอ่ะอยากให้อินรีเข้มแข็งทำยังไง ก็เลยอยากจะจิบน้ำชาเล่นเพราะมันไม่อยากตอบไงมันขี้เกียจตอบด้วยเข้าใจแล้วใช่ไหมนี่แทนคำตอบได้ไม่พูดอย่างนี้แม่ไม่เข้าใจเลยจิบน้ำชาใหม่ให้ดูด้วย